ที่ผ่านเข้ามาก็ล้วนเป็นละอองเป็นมุลทินเป็นฝุ่นเข้ามาจับจิตใจของเราให้ให้แปดเปื้อนได้ไม่ว่าแปง้งหรือฝุ่นกระดามที่มาแปดเปื้อนใบหน้าของเราในที่สุดก็ต้องล้างเราซื้อเครื่องสำอางราคาหลายหมื่นหลายแสนที่เราทาลงไปในที่สุดก็ต้องล้างทิ้งเหมือนกัน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 ขวดนั่นคือรูปน้ําอันนี้มาได้ทีหลังนะเก้าปีผ่านไปถึงได้คําตอบ <c oughs> ไม่ใช่สามวันอย่างโยมนะเพราะพระนี่หนากว่ายมเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะพระนี่สมมุติมันเยอะไงเขากลับไหว้ทุกวันเขาให้อาหารทานฟรีทุกวันขอสร้างวัดให้อยู่อ่าทีนี้มันก็เลยเป็นนี่เยอะพอะพระนี่เป็นนี่โยมเอยอะนะเออพราะอะไรของฟรีเท่านั้นอะโยมไปอยู่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 ไอ้ที่มันไหลออกคือความคิดนะนั่นะะนะอะไรกระทบ ป, ปั๊บคิดไปเลยนั่นหมายความว่าขวดล้มแล้วแต่วันนี้ลรมวี่งั้งขวดอะนับไม่ท่วนเพราะไม่มีสติล้มที่ไรนน้ำหายหมดขวดเลยนะะน้ำหายหมดขวดอา้าวรอให้มันขึ้นมาใหมาอ่อีกล้มมาอีกวันหนึ่งล้มเป็นน้ำไม่ทว่วงน่ะแล้วหาสติได้ไหมหาฝามม่ได้ไหมวันนี้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 ความสบายก็ขยายเป็นราคะความไม่สบายก็ขยายเป็นโทสะความเฉยเฉยขยายเป็นโมหะนี่ถ้าเราไม่มี ส, สติในการดูแต่ถ้าเรามี ส, สติในการดูสามอาการนี้ความสบายก็เกิดกลายเป็นศีลถ้ามี ส, สติการดูความไม่สบายจะกลายเป็นสมาธิถ้ามี ส, สติในการดูความเฉยเฉยกลายเป็นปัญญานี่เราจะเอาแบบไหนะ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 นั้นเวลาเสนอทางออกปั๊บเนี่ยเขารับได้เลยเวลาจัดชุมว่ามาไปจัดที่เอลเอคนอยู่ชิคาโ ก, โกอยู่โ น, น่นอยู่ไอเทนเนซีอยู่เซนหลุยส์นั่งเครื่องบินมาเสียค่าบินเกือบเป็นหมื่นๆก็มาแต่ขอให้ได้ทำแต่้องเราอยู่ใกล้ๆบ้านเชิญเราพีก็ยังไม่มานะบอกให้มาทำพีก็ยังไม่มาเลยนกะที่มาว่าคนไทยสบายก็พา อ, อย่างนี้เนะีย่ยของดีๆให้พีก็ไม่เอานะ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 ธรรมะก็เกิดตลอดเวลาใช่ไหมบางทีเราอีกที่เป็นพระอยู่กับวัดที่เกียด อ, อยากเก็ดตื่นตอนไหนไม่ตื่นก็ได้อะไรเนะี่ยมีข้าวกินประมาทแต่แย่ยมที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาทุกข์พอเพราะธรรมะไปใช้ป่อยเขายิ่งใช้ยิ่งชำนาญใช่ไหมดังนั้นโดยเฉพาะยมผู้หญิงในที่มาปเผยแพ่ที่อเมริกาทั้งสิบคนนัมียมผู้ชายที่ช่วยพูดมีแค่สองคนนอกนั้นเป็นยมผู้หญิงหมดเลย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 เวลาทําแบบนี้ขอให้ทําแบบไม่ต้องเอาแต่ตั้งใจทําแต่ไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ยกมือก็พอแต่ว่าขณะยกมือในตั้งใจยกนะตั้งใจยกโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะได้อะไรตั้งใจยกขณะที่ตั้งใจยกโดยที่มีสติในการยกแค่นั้นอ่ะมันเข้าไปโดยอุดมวัตมันได้โดยอุดมัติได้โดยที่ไม่ต้องไปไปเอาลมหายใจเนี่ยถ้าตั้งใจเอามันจะไม่ได้นะ ขอให้มีแรงหายใจก็แล้วกันอนะ่ะคุณได้ชีวิตทั้งชีวิตเลยนะแต่เมื่อไหร่คุณเบือ่อโอ้หายใจมานานแทนเขาอยู่ชั่5านาทีเงี้ยได้ไหมถ้านาทีไปเรียบร้อยเลยนะไม่มีโอกาสได้หายใจอีกเลยแนะเหมือนการอ่อาการที่ทำเรื่องเนี้ยตั้งใจทำแค่นั้นนะ่ะมันก็ปรากฏมันได้ได้โดยที่ไม่ต้องเอาวิธีการเนี้ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไปทำอาหากินเนี่ยนะไม่ได้ไม่เอาไม่ได้นะมันต้องเอาถึงจะได้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 แต่พวกนี้เช้าจะเป็นที่เบรทไลท์สำหรับโยมผู้หญิงจะให้คุจิพารมนะแต่สำหรับโยมผู้ชายก็มาจะพาทมข้างล่างแล้วมีที่ข้างล่างนะที่ป่ายทรายเอาอาสนะไปหรือว่าที่บนบ้านผู้ชายดีตรงนั้นมีเต็นท์เยอะนะเตเต็นเยอะนะแต่ได้ทาที่เดียวกันก็ไม่พอเพราะโยมผู้หญิงม็เยอะอยู่ก็อาจจะเลือกที่ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้ทํโครามุงก็ได้นะ